ท่านฟังที่เคารพค้ะท่านฟังรายการสรนนิษนทนานีทางสถานีวิทยุครอบครัวข่าว f m ฟเอดิฉันสรรันนิษานพงศ์ดำเนินรายการและรายการนี้เราก็กําลังจะพาท่านไปพบกับพระภิกษุอีกรูปหนึ่งจากวัดป่าดอนไฮโซซึ่งกําลังจะมีการทอดกระินในวันที่ส1พฤศจิกายนนี้นะคะนั่นก็คือพระภัยบุญอภิปุโนค่ะในช่วงเวลาที่เราเรียกว่าเปิดธรรมที่ถูกปิดด้วยพุทธวจนะกราบมหกรรมค่ะท่านค่ะ พูดถึงเรงกินเจสักนิดหนึ่งคุณโยมถิ่วที่ว่าในช่วงนี้ จ, จะมีเทศ ก, กาลกินเจ ก, กันสมัยหมธรมาเด็กๆ ก, ก็ก็มานะมีนธรรมน ะ, ะเพราะว่าเราเกิดในครอบครัวคนจีนแล้วก็คุณโยมแม่นี่ก็พาทำนะแล้วก็มีแง่มุมอันหนึ่งที่เรียกว่าการกินเจเขาบอกว่าเป็นการทํากายให้บริสุทธิ์ใช่ไหมเหมือนกับว่าเราล้างล้างกายข้างนอกเนี่ยคุณล้างชำระทําความสะอาดใช่ไหม ทนในระบบลำไส้อะไรก็กินเจเข้าไปมันก็ยังส ะ, สะอาดกว่าเจ้าพวกเนื้อสัตว์เนื้ออะไรต่างๆนะใครที่รับประทานอาหารที่เป็นมังสวิรัติก็จะทราบอยู่นะตัวจะเบาถ่ายง่ายอะไรต่างๆพวกนี้ทีนี้คือนี่คือล้างภัยกายในระบบภายในของร่างกายเท่านั้นเองแต่ทีนี้ก็ยังต้องพูดถึงในสมัยนู้นพุทธการนะคุณยมติ่นเขาก็มีกระบวนการนี้คือหมายความว่า คุณเอาลงน้ําล้างตัวเองเนี่ยเพื่อที่กีบัตจะชาระาจิตใจให้สะอาดนะคือคือกายกับใจมันอยู่ติดกันนะคนเลยอาจจะไปเข้าใจว่าเออการชําระร่างกายก็คงจะทําใจให้สะอาดด้วยนะก็สมัยนั้นะก็จะมีความเชื่อว่าเอาเง้นเผากายนะคือย่างกิเลส ด, ด้วยไฟนะคือเอาตัวไปเองไปทําให้ลําบากลําบากเพื่อที่ว่ากิเลสในกายมันจะได้ลดลงไปแต่นะจริงๆกิเลสไม่ได้อยู่ที่กายกิเลสอยู่ที่ใจ่เพราะฉะนั้นถ้าคุณต้องการจะทํา ให้จิตใจเราบริสุทธิ์ขึ้นโดยการรับประทานาหารมังสวิรัตเนี่ยมันก็ส่วนหนึ่งตรงที่กายแต่ว่าใจคุณทําให้บริสุทธิ์หรือเปล่าถ้าเราคิดว่ารับประทานอาหารมังสวิรัตจะทําให้ใจบริสุทธิ์ด้วยอันนี้ก็ต้องบอกตามสิ่งที่พระเจ้าสอนว่าสิ่งที่ทําให้ใจบริสุทธิ์เนี่ยจะต้องเป็นมรรคหนึ่งในมรรคคืต้องมีศีลแล้วเพื่อนถามว่าคุณรับประทานอาหารที่เป็นมังสวิรัติเนี่ยศีลคุณรักษาไหมถ้าคุณรักษาศีล5้าจะไม่ไม่ฆ่าเอง ไม่ลักทรัพย์ไม่รพกลิดในการไม่แกล้งกล่าวเท็จไม่ดื่มสุราเม่ไรเนี่ยอันนี้ก็ชื่อว่าทําใจให้บริสุทธิ์แล้วด้วยค่ะอืมเขาก็จึงมีคําว่าถือศีลจี น, นจนะก็ต้องรักษาศีลด้วยนะอืมคือสรุปแล้วเจทัานกายและเจทั้งใจอืมใช่ไหมคะ ท, ที่ที่ท่านพูดให้เข้าใจใง่ายๆอย่างนี้เจทั้งใจก็คือต้องมีวิธีในการที่ปฏิบตัติแต่ถ้าเป็นชาวพุทธก็จะต้องปฏิบัติตามมัตที่พระพุทธองค์ ในตรัสรู้ไวใช่คือแล้วกระบวนการของมรรคของพรุทธเจ้าเนี่ยย่อมติมันก็จะเน้นเรื่องของจิตใจสัมมารเรื่องของกายคือว่าเราก็อยู่ง่ายๆคือถ้าถ้าอาย่างถ้ามันสะดวกในการที่จะรับประทานเนี่ยก็ดีแต่ถ้านอกช่วงนอกเวลาเนี่ยบางทีมันไม่สะดวกเราก็ให้ให้เดี๋ยงง่ายไว้ก็จะสะดวกกว่าในใ น, ในความเห็นธรรมานะค่ะเรากา็ถ้าไม่ทําตัวเองให้ลําบากแต่ว่าจิตใจเราก็รักษา นะทีนี้กระบวนการที่ทําจิตให้สะอาดเนี่ยสีนี่ก็เป็นอย่างหนึ่งใน3ขั้นตอนนะยังมีอีกสองขั้นตอนหมายถึงว่า2กระบวนการนั่นคือเรื่องของอการทําจิตให้มีกําลังนั่นคือสมาธิแล้วก็การที่ทําจิตให้มีปัญญาเป็นการขุดกรอวกิเลสจริงๆนั่นคือวิปัสสนาสมาถะนั่นแหละคือหมายถึงการภาวนาเพราะนั้นเราถูรักษาสีแล้วก็ส่วนหนึ่งละ อยู่ในกระบวนการแล้วจิตใจเรานั่งสมาธิไหมเดินจงกรมไหมเห็นการเกิดดับไหมมีสติไหมเห็นลมหายใจหรือเปล่าจิตตั้งมั่นไหมรับนิวรณได้หรือยังพวกเนี้ยเราต้องทำด้วยมันจะได้ครบสูตรครบ อ, องค์ประกอบค่ะนะครับบางคนอาจจะถือเขาเรียกคะถือเจออ ม, มาโดยตลอดคือรับประทานอาหารในฤดูการเจเพราะก็มีความรู้สึกว่า สบายดีเขามีอาหารเจาขายทั่วไปหมดเดี๋ยวนี้มันก็ง่ายแล้วก็น่าจะได้อ น, นิสงจากการที่เราไม่เบียดเบียนชีวิตของใครเลยแต่ถ้าได้มีความรู้เพิ่มมากขึ้นจากรายการนี้ว่าลองถามใจเราดูด้วยว่าเราทำความสะอาดใจเราด้วยหรือเปล่าใช่แล้วพยายามทำก็น่าที่จะพอกพูนกุศลมากขึ้นยิงปืนนัดเดียวได้นกหลายตัวอะไรเงี้ยนคะคะใช่แล้วก็เรื่องใจเนี่ยเป็นเรื่องที่สาคัญมากๆ ทีนี้ในเรื่องของของกายก็ยังมีประเด็นที่คุณโยมติวพูดสรุลว่าไม่เบียดเบียนสัตว์ใช่ไหมอันนี้คือคือเฉพาะหน้านะคือเรื่องของการกินเท่านั้นเองอทีนี้มนุษย์เนี่ยมันเบียดเบียนสัตว์ไม่ใช่เฉพาะเรื่องของการกินนะอย่างเ<ม>ช่นว่าสบู่นี่คุณก็ใช้ไขมันสัตว์ะกระเป๋าหนังโอ้โห <c oughs> นนหนังนะั้นน่ะสัตว์นะั้นนะ่ะ <c oughs> นะหรือว่าเครื่องใช้เครื่องไม้เครื่องมื อ, อ, อต่างๆที่เป็นจากสัตว์นี่ก็มีเยอะแยะไปหมดเลย <c oughs> นะเราก็แม่มันก็เลย คือถ้าเราจะไปเน้นเรื่องภายนอกมากเนี่ยมันก็ต้องไปจูจ้จี้จุกจิกตรงตรงนี้ตรงนี้ตรงนั้นด้วยนะแล้วก็พอพอที่เราพอจะจะอยู่ได้สามารถทําความเพียรไปได้อะน ะ, ะในขณนะเดียวกันเราก็เน้นเรื่องของจิตของเราเรื่องศีลเรื่องสมาธิเรื่องปัญญาหรือรที่มันตามมั่งเนี่ยเราทำอย่างเงี้ยค่ะดิฉันมปคนคนเชื่ออย่างนี้นะคะว่าถ้าหากเราสมมุติเอาแค่รักษาศีลแล้วก็มีภาวนาพื้นพื้น ซึ่งไม่พื้นดูเหมือนธรรมดาแต่ไม่ธรรมดาอย่างเช่นเจริญอนาปาณสติ<ช><ช>สิ่งทั้งหลายมันจะเกิดตามมาเองอ่าใจมันจะละเอียดมันจะไม่ค่อยอยากพูดไม่ดีอยากทําอะไรไม่ดีกับใครไม่อยากคิดไม่ดีกับคนอะไเนี่ย ม, มันจะพัฒนาไปเองท่านว่าไหมคะถูกต้องถูกต้องมันก็เป็นไปตามกระบวนการของมัรนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยให้กําลังใจแล้วก็ดิฉันสามารถใช้คำว่าอนุมโมทนากับผู้ที่พยายามจะไม่เบีเ่ยเแปลนสัตว์ด้วยการ<อ><ด>รับประทา น, น<ำ>อาหารไม่มีเนื้อสัตว์ไหมคะ ได้ได้มาก็คิดว่าได้เหมือนกันในในขณะเดียวกันนะต้องเน้นตรงนี้นะว่าถ้าคุณไม่ได้รับประทานเนื้อสัตว์เนี่ยแล้วเราไม่ด่ากันไม่ว่ากันนะนะคือหมายว่าถ้ามันไม่มีเนี่ยต้องด่าว่าเธอเอานี่มามทำไมทําอย่างงี้อันนี้ไม่ได้แล้วด่ากันว่ากันอันนี้ไม่ดีอันนี้ไม่ดีนนดแต่ถ้าคุณทุกคนจิตใจสบายมีกุศลธรมรมปฏิบัติตามมารคคุณจะกินอาหารมังสวิรัตอันนั้นเป็นกุศลค่ะแล้ ว, แ ล, วแล้วทีนี้อีประเด็นหนึ่งนะก็โยมติวนิดหนึ่งตรงนี้ว่า คุณน่สมมติคุณไม่ฆ่าสัตว์อย่างเงี้ยนะไม่ใช้ผลิตภัณฑ์อะไรที่จากสัตว์ด้วยซ้อ่านะก็คือเราไม่มีการเบียดเบียนสัตว์เลยเราเราช่วยรักษาสัตว์เนี่ยให้พ้นจากความตายเฉพาะหน้าด้วยการที่เราไม่ใช้อย่างสมมติเข้าไปไถวัไวไถโครกระเบอือ<ช>กันรกรอย่างเงี้ยอ่าเขาก็จะใช้คำ ว, ว่าให้พ้นจากความตายเฉพาะหน้าแต่ไงโคอัวควายมันก็ตายอยู่ดีนะคือถ้าเราไม่ช่วยเขาที่หน้าโรงฆ่าสัตว์เนี่ยเออมันก็อาจจะได้รับโรคภัยไข้เจ็บอย่างใดอย่างหนึ่งอยู่ นะหรืออาจจะเป็นอุบัติเหตุล้วกม็มันเลี้ยงอย่างดีให้อาหารอย่างดีมียารักษาโรคมันไม่ป่วยมันไม่ป่วยตายมันไม่โดนอุบัติเหตุตายอย่างน้อยมันต้องเป็นโรคชราตายใช่ค่ะทีนี้เราเราช่วยเขาแล้วเนี่ยเพื่อที่ให้พ้นจากความตายเราจะช่วยยังไงให้พ้นจากความตายไม่ใช่แค่ชาตินี้แต่ชาติต่ อ, ต, อต่อไปด้วยอ้อันนี้ยิ่งจะมีอั น, นิสงส์มหาศาลอย่างอย่างถ้าถ้าเราอย่างนี้น อยู่ในสถานการณ์ที่เฉียดตายนะคุณยมติวเข้าใจไหมอย่างรถ <Okay. S 1> จะมาชนอย่างเงี้ยมีคนมาผลักเราหลุดออกจากเส้นทางพอดีโอ้โหคนที่มาช่วยเราเนี่ยนะมีบุญคุณมากจริงๆ <Okay. S 1> หรืออย่างเราเป็นมะเร็งขั้นสี่อย่างเงี้ยมีหมอมารักษาคุณได้โอ้โหหมอนี่มีบุญคุณกับเรามากจริงๆอย่างเงี้ยนะค่ะ <Okay. S 1> กรณีอย่เงี้ยเหมือนกับทั้งชีวิตของเราเนี่ยเป็นนี่บุญ ค, คุณคนนี้เลยนะเพราะว่าช่วยให้เราหลุดจากสถานการณ์ที่เราจะตายไปได้เนี่ยนะทีนี้อย่างคําสองของพระเาคุณโยมติว นะไม่ใช่แค่ช่วยเราพ้นจากความตายชาตินี้ชาติเดียวนะแต่ชาติต่อไปคุณต้องตายอีกนะอย่าลืมนะแล้วก็ชาติต่อไปต่อไปนู่นคุณต้องตายอีกนะต่อไปต่อไปนู่นนูคุณก็ต้องตายอีกนะเป็นอีกนานเท่าไหร่อเนกชาติแล้วถามว่าถ้าคุณเป็นโสดบันชาตินี้บุ่มคุณไม่ต้องตายไปอีออเนกชาติคุณเหลือแค่7ชาติเห็นไหมพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นผู้ที่ช่วยเราจากความตายเป็นอเนกชาติถ้าคุณทําให้เป็นโสดบันนชาตินี้ คุณเหลือตายแค่เจ็ดครั้ง <c oughs> ค่ะยังติดเนื้อไหมเพราะฉะนั้นเราจะช่วยคุณเดือให้พ้นจากความตายเฉพาะหน้าเท่านั้นเงนะเออเราช่วย <c oughs> ตัวเราเองให้พ้นจากความตายหรือยังหรือเราจะช่วยเพื่อนมนุษย์เนี่ยให้พ้นจากความตายเป็นอนเนกาชาติเนี่ยเราจะช่วยก็ได้ไง อ, อท่านคะอืก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจมากนันนี้ท่านก็เปิดประเด็นเกี่ยวกับโซดาบันถึงแม้ว่าในรายการที่อ่าพูดถึงผู้ทวจนะของพระศาสดาอย่างเราเนี่ย จะพูดถึงเรื่องของการเป็นพระโสดาบันกันบ่อยแต<ช>่างไรก็ตามบางคนก็อจะเพิ่งมาพกเหมือนกันก็ชักอยากจะเป็นพระโสดาบันเ <laughs> เป็นได้จริงๆหรอคะในนี้น เ, นเป็นมนุษย์เดินดินธรรมดาโสดาบันเนี่ยอไม่ไม่เหมือนกับโซดาโคลาแปรซี่นะค่ะ <laughs> แต่ว่าเป็นลักษณะว่าเป็นคุณธรรมในใจของเรา <laughs> คือว่าอย่างโซดาโสดาบันเนี่ยนะคือใครเป็นโสดาบันผู้เช้า ท่านภาษาดิบุตรถามเอ๊ะหรือผู้ชาถามท่านภาษาดุษฎบุตรเนี่ยแหละภนะาษาดุษฎีบุตร <Okay. S 1> ก็เลยโค้ดคำผู้เชา่าอยู่เหมือนกันก็คือว่าผู้ที่มีความเห็นที่ถูกต้องเป็นต้นนะอันนี้เป็นในยัดหนึ่งคือสวดบัลังเนี่ยแปลว่าอะไรก่อนนะคือแปลว่าพูดถึงกระแสแห่งพระนิมภาน <Okay. S 1> นะมีการตรัสรู้พร้อมในเบื้องหน้าไม่มีภพที่8ปดนะแล้วก็เป็นผู้ที่ไม่มีอันตกต่าเป็นธรรมดานะ <Okay. S 1> นี้แปลกว่ายาวเต็มที่เลยนะ <Okay. S 1> แต่ก็คือหมายความว่าคุณเกิดอีก7็ชาติต น, นั้นเอง แล้วไอ้เชาติที่คุณเกิดเนี่ยคุณก็จะไม่เป็นรรนรกกาหนดโดยสารเปรตวิสัยแต่แล้วชาติที่7เนี่ยเป็นอย่างอย่างมากสุดน ะ, ะบางคนก็เป็น2 3ชาติบางคนก็1นถึงสชาติเนี่ยชาติสุดท้ายของความเป็นโซดาของคุณเนี่ยคุณจะได้เป็นพระอาหารหันต์ด้วยเนี่ยนะเกิดที่สรุปในความหมายของความเป็นโซดาปฏิผลนะทีนี้โสดาบัณเนี่ยมันจะมี2ตําแหน่งนะคือโซดาบันปฏิมากกับโสดาปฏิผลมากนี่ก็คือคุณเดินอยู่บนเส้นทางของความเป็นโสดาบัณ มันไม่ได้ยากเลยคุณโยมติว๋วเอาแค่ว่าเรามีศีลศีลนี้ก็ไม่ได้มากมายเอาแค่หข้อศีลคือคุณมีความเป็นปกติอยู่5อย่างนี้นะคุณมีความเป็นปกติอยู่5อย่างนี้คือมีปกติในการไม่ฆ่ามีปกติในการไม่รักทรัพย์ถือทรัพย์จะขอไม่ได้ให้ปกติในการที่ไม่ประพฤติปิดในกามไม่แกล้งกล่ า, ลาวเท็จไม่ดื่มสุราเมรยัยเป็นที่ตั้งความประมาทพอเรามีปกติอย่างนี้แล้วเนี่ยนะเราก็มีศรัทธาอย่างลงมั่นไม่หวั่นไหวในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ นะถ้าเรามีศรัทธางงอย่างลงมั่นไม่หวั่นไหวในพระพุทธธรรมประสงค์5อย่างนี้ขอไปสี่อย่างนี้นะคือศรัทธาในพระพุทธหนึ่งพระธรรมสองพระสงฆ์สามแล้วก็มีศีล5ข้อนี้แลนะคุณเป็นโสดาปฏิผ ล, ลนะนะโซดาปฏิมร์แล้วนะค่ะเนะี่ยคุณยืนเดินอยู่บนเส้นทางของความเป็นโสดาบันนะค่ะนะคุณเดินอยู่บนเส้นทางความเป็นโสดาบันเป็นอริยบุคคลหนึ่งใน8ดนะ เป็นบุคคลที่ประเสริฐนะที่ควรกราบไหว้ควรรับทักสีนาทานควรยกย่องเชิดชูควรทําความเคารพนะใ่ <Okay. S 1> ไม่ได้ยากเลยนะคุณยมถิว่วจนกระทั่งคุณตามไปทําไปทําไปทําไปจนกระทั่งถึงไหนถึง <Okay. S 1> จุดที่สั่งโยดเนี่ยสมอย่างเนี่ยมันละไปนั่นคุณจะ <Okay. S 1> โซดาปฏิผลเลยนะโอ้โหแจ๋วมากเลยทีนี้โสดาปฏิมาศ ก, กับโซดาปติผลมันต่างกันนิดนึงตรงที่ว่าโสดาปฏิมาศเนี่ยบางที มีคนมาด่าเราว่าเราทำอะไรไม่เราเจ็บใจปุ๊บเราเดินออกนอกทางเนี่ยเราก็เฉยไปะล ะ, ะก็ใชมไหมคือถ้าคุณยังไม่ถึงผลเนี่ยคุณยังเดินออกนอกทางได้ไงค่ะก็เท่ากับว่าทุกคนเป็นพระโสดาบันได้ไดขอเพียงแต่ทำตามที่พระพุทธองค์ตรัสไว้ก็คือมีศรัทธามั่นไม่หวั่นไหวในพระรัตนตร<ช>ัยและรักษาสี่นั้งห้าได้แล้วไม่ทะลุไม่ได่างไม่ปร้อยใช่แล้วโดยเฉพาะยิ่งนะคนที่ ตื่นเช้ามาวันนี้สดใสมองมองไปรู้สึกว่าโลกนี้ไม่ค่อยเที่ยงคนแบบเนี้ย<ม>คุณอย่าเพิ่งตายเลยผูช้ชายบอกอย่าเพิ่งตายถ้าผมยังไม่ได้ทําโสดาปฏิพันธนะให้แจกนั่นเท่ า, ากับว่าที่ท่านพูดว่าคําว่าโสดาบันหมายถึงผู้ที่มีความเห็นที่ถูกต้องอในการที่เห็นความไม่เที่ยงนั่นคือความเห็นที่ถูกต้องเลยไหมคะถูกต้องเลยถูกต้องเลยค่ะตรงประเด็นเป๊ะ มันแล้วถ้าเรา ม, มีมีธรรมชาติเป็นคนแบบนี้อยู่แล้วเนี่ยแม่มันมีความเสี่ยงมากนะคุณโยมติวถ้าพอกว่าชาติต่อไปคุณเกิดมาไม่มีคำสอนพระเจ้าหรือเกิดเป็นอะไรอย่างอื่นเนี่ยมันไม่แน่ไม่นอนแต่พ่าชาตินี้ถ้าคุณยังมีความสอนพระชา้าอยู่แล้วจิตใจคุณเป็นอย่างนี้นะคุณอย่าเพิ่งตายเลยนะอย่าเพิ่งตายเด็ดขาดนะถ้าอยงางไม่ไ้เป็นสาวนปฏิปทาที่ท่านภบูญพูดอยู่นี่มันมันตายแล้วตายอีกถูกไหมคะใช่มันจะเสียโอกาสมันไม่แน่ คือมันยังอาจจะต้องอมีความตายเป็นอเนกชาติ<ะ>มากกว่าแปดชาติถูกต้องอเพราะนัะ้นในชาตินี้เราควรจะจะจบซะคือทําให้เราพ้นจากความตายคุณจะกินเจก็ได้คุณจะไถ่โครกระบือก็ไม่ว่าอะไรแต่คุณทําตัวเองให้พ้นจากความตายหรือยังค่ะคือถ้าต้องการพ้นจากความตายก็ต้องเดินตามมาร์คนี้นะคะแล้วถ้าการกินเจหรือการ ถ่ายชีวิตโคก ร, ระบือเอาไปรวมในเรื่องของอาการาสรัทามันไปไปแอพลายแล้วมันเข้าไปในนั้นหรือเปล่าในพระราช น, นาตรายนะคะแล้วก็ถือว่าเป็นเรื่องสีมห้าหรือเปล่า อ, อย่างนั้นก็เข้าขายเลยใ ช, ใช่ั้ยคะใช่ๆ ก, ก็ตามปฏิบัติตามนั้นได้เพราะฉะนั้นเนี่ยคะ่ะก็เป็นความรู้ที่ฟังดูเหมือนกับ อ้ยมันเกินความสามารถท่าเรียกแค่ชื่อแต่พอฟังคำอธิบายแล้วเอ๊ชักมีหวังแฮ ว, วันนี้เราก็จะฝากเอาไว้กันด้วยความหวังดีไหมคะก่อนที่ท่านพบูลจ ะ, ะได้อดมาจริงต้องบอกว่าให้มีความมั่นใจในคำสอนพระเจ้าแล้วก็ทำไปอย่าออนแอร์อย่าท้อแท้ให้ตั้งใจเต็มที่ท่นั้นเองนะคะจะมีความศรัทธามั่นไม่หวั่นไหวนี่แหละมันจะพาท่านไปมีความเพียรไปเรื่อยๆได้ วันนี้กลับนมัส ก, การท่านพระบูลนะคะท่านฝันน่งค้านั่นคือพระพรบูลอภิปุโนจากวัดป่าดอนหายโศอุดรนธานีนะคะซึ่งท่านก็เมตตาให้กับรายการสัส่นเสียสนทนานี้เป็นประจําดังนั้นดิฉันเองก็เลยคิดว่าเป็นหน้าที่เลยนะคะที่จะต้องเรียนท่านทั้งหลายที่ก็อยากจะนมัส ก, การขอบพระคุณในความเมตตาของทั้งท่านพบูลแล้วก็ท่านมาร์คซึ่งรวมถึง ท่านเจ้าวาดทั้งสองด้วยคือหลวงพ่อดั้งเตอร์สะอาดของวัดป่าดอนไฮโซกับพระจัจาร์คกฤท์แห่งวัดนาป่าพงที่ท่านมากอยู่เนี่ย น, นะคะว่าที่วัดก็จะมีงานบุญเป็นครั้งเป็นคราวถ้าตามประเพณีตามแบบที่พระพุธองกราดไว้ล่าสุดที่กำลังมาถึงสิ้นสุดเทศกาลเข้าพรรษาก็เป็นการถวายผ้าให้พระภิกษุนะคะได้ใช้ซึ่ง ตามพระวินัยจะไปซื้อหาก็ไม่ได้นะคะต้องเป็นไปนในลักษณะที่มีญาติโยมไปถวายเนี่ยเขาเรียกว่าเทศการกระถินแต่ส่วนใหญ่เรามักจะเข้าใจว่าเทศกาลกระถินก็เอาเงินใส่ซองก็จบความหมายที่แท้จริงมีมากกว่า น, นั้นซึ่งเดี๋ยวเอามาพูดในรายการกันอีกในวันต่อๆไปก็ได้เพียงแต่จะบอกกาหนดเวลาไว้เผื่อท่านทั้งหลายอยากจะไปร่วมในงานบุญของทั้งสองวัดนี้นะคะก็จะมีที่วัดปาดรณหายโศกในวันที่11เดือน11 อยู่ดอนนะคะส่วนถ้าวัดนาป่าพงอยู่ลำลูกกาคลองสิบปทุมธานีนี้จะ ก, ก่อนหน้าสัปดาห์หนึ่งก็คือยวนที่สี่เดือนพฤศจิกา ย, ยนรายละเอียดอื่นๆโปรดกรุณาโทรไปถามที่0ู6 <ๆ> 2 6 9สองสองหก้าูนูย์ูย์หกเือนได้เขียนฝากเจ้าหน้าที่ที่สถานีเอาไว้แล้วค่ะวันนี้ดิฉันเสิซีนาผมก็ลาทุกท่านไปก่อนนะคะพู้ทวิตสวัสดีค่ะ